เรื่องปรินิพานของพระโคติกะเทระอันว่าพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ณเวลูวันป่าไผ่กลุ่มราชเครือแควนมคธทรงปราบการปรินิพานของพระเทระรูปหนึ่งพระเทระนั้นอยู่ใกล้ถ้ำกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิริมีความเพียรมีเจโตวิมุตต์เกิดขึ้นเสื่อมไปเป็นครั้งคราว รั้นเสื่อมจากเตโตวิมุตคือฌานด้วยอํานาจแห่งโรคชนิดหนึ่งอันเรื้อรังท่านอย่างฌานที่สองบ้างที่สามบ้างให้เกิดขึ้นถึงหกครั้งแล้วก็เสื่อมอีกในวาระที่เจ็ดคิดว่าเราเสื่อมจากฌานถึงหกครั้งคติของฌานไม่แน่นอนคราวนี้เราจะกลงชีวิตด้วยสัตราจึงถือมีสสำหรับลงผมนอนลงบนเตียงเพื่อจะตัดก้านคอ มารู้จิตของพระเทระคิดว่าภิกษุนี้เมื่อนำสัตรามาย่อมเป็นผู้หมดอะไรในชีวิตภิกษุนั้นเริ่มตั้งวิปัสสนายอมบรรลุพระอรหันต์ได้ถ้าเราจักห้ามเธอจักไม่ฟังเราจักทูลให้พระสัสดาห้ามดังนี้แล้วจึงไปเฝ้าพระสัสดาด้วยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักคือแปลงกายไปราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค สาวกของพระองค์ยินดีแล้วบวชแล้วในพระศาสนาแต่มีธรรมยังไม่ได้บรรลุยังเป็นผู้จะต้องศึกษาจะพึงทากาละคือตายเสยอย่างไรเล่าพระศาสดาทรงทราบว่าผู้นี้เป็นมารจึงตรัสว่าปรารทั้งหลายย่อมทาอย่างนั้นแหละย่อมไม่จำนงชีวิตโคธิกะถอนตันหาขึ้นพร้อมทั้งรากปรินิพานแล้ว ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปสู่ที่พระเทระนำสัตรามานอนอยู่แล้วพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากขณะนั้นมารคิดว่าปฏิสนธิวิญญาณของพระโคติกะนี้ตั้งอยู่แล้วในที่ไหนหนอแลดังนี้แลาเป็นดุจกลุ่มควันและก้อนเมฆแสวงหาวิญญาณของพระเทระในทิศ ท, ทั้งปวงพระศัสดาทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรชื่อโคติกะมีวิญญาณไม่ตั้งอยู่เลยปรินิพานแล้วเมื่อมารไมลายเห็นที่ตั้งวิญญาณของพระโคธิกะจึงได้แปลงเพศเป็นกุมารถือพินมีสีเหลืองดุจผลมะตูมเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าข้าพระองค์สแสวงหาอยู่ทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางทิศใหญ่ทิศน้อยก็ไม่ได้ประสบพระโคติกะนั้นไปแล้วณที่ไหน พระสสดาตรัสว่าภิกษุชื่อโคธิกะเป็นปราดสมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำมีฌานยินดีแล้วในฌานในการทุกเมื่อประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใยดีชีวิตชนะเซนาแห่งมัจจุได้แล้วไม่มาสู่พบอีกถอนตัณหาพร้อมทั้งรากปรินิพานแล้วเมื่อมาได้ฟังดังนั้นพินได้พลัดตก จากรักแร้ของมานั้นผู้อันความโศกครอบงำลำดับนั้นยักษ์คือเทวปุตตมานนั้นเสียใจได้หายไปที่นั้นนั่นเองด้วยประการชนี้พระศัสดา จ, จึงทรงตรัสพระคถาว่ามาย่อมไม่ประสบทางของท่านผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วมีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาทพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบเหล่านั้น เมื่อจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละวิเคราะห์ข้อธรรมวิจัยผู้หมดอะไรในชีวิตหมายถึงมีสติทุกเมื่อไม่อะไรในชีวิตทางทวารหกไม่อะไรหมายถึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ชอบไม่ชังไม่อภิชาไม่โทมนัส ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจขณะไม่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสกายใจคิดนึกเรื่องราวความหมายวิปัสสนาญาณย่อมตั้งขึ้นรู้แยกรูปแยกนามรู้ความเกิดขึ้นดับไปว่าไม่ใช่ของเราเห็นได้ยินเป็นต้นเกิดแล้วดับแล้วย่อมบรรลุอรหัต วิญญาณไม่ตั้งอยู่เลยหมายความว่าเมื่อไม่อะไรทางตาหูเป็นต้นนั้นอภิชาและโทมนัสก็ไม่มีที่ตั้งไม่เห็นว่าเป็นขันเป็นสักว่าเห็นว่าได้ยินเป็นต้นนั้นเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ขันไม่ใช่เราก็ไม่มีที่ตั้งวิญญาณย่อมดับแล้วไม่เกิดอีกเพราะหมดที่ตั้งเสือแล้วเป็นอนัตตาไม่มีตน จึงได้แปลงเพศข้อนี้คือมารสามารถแปลงเพศเป็นอะไรๆก็ได้แม้กระทั่งแปลงเป็นพระพุทธเจ้าพึงระวังให้ดีโดยเฉพาะนักปฏิบัติที่นั่งหลับตาหรือดูจิตยอย่างเดียวรูปกายหายไปแล้วหลงตกจากฐานสติไปเห็น น, น, น่นนี่เห็นน่าเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงเพราะตกจากฐานของการเจริญสติเสียแล้วก็จะไปเห็นอะไรอะไร ที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสได้ไม่มาสู่ภพอีกหมายถึงไม่มาเกิดในภพทั้งหลายได้แก่การมาพภพคือการมาวัจร11อได้แก่อบายภูมิสมนุษย์หนึ่งเทวโลกหชั้นรูปประภพคือรูปประพรมิบหชั้นอารูปประภพคืออารูปประพรมสี่ชั้นรวม31พบอดภพภูมิ ฉะนั้นพระอาหารหันตะบุคคลทั้งหลายเมื่อปรินิพานแล้วไม่มาสู่พบทั้ง31เอพบภูมินี้อีกแต่จะมีพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่ประพัดสอนตลอดชัว่วนิรันดรเป็นวิสุทธทิเทพอยู่ณที่แห่งใดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปจนกว่าจะถึงนิพพานถอนตัณหาพร้อมทั้งรากหมายถึงตัวปัญญาเมื่อหมดอะไรในชีวิต วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งก็ถอนตัณหาขึ้นได้พร้อมทั้งรากคือขุดรากถอนโคลนตัวราคะโทสะโมหะก็พึงถึงซึ่งพระอาหารหัตเป็นพระอาหารหันตะบุคคลเมื่อปรินิพพ์แล้วย่อมไม่เกิดอีกยักษ์คือเทวปุตตมา น, นั้นคือหนึ่งในมารทั้งห้าได้แก่กิเลสมารเป็นหัวหน้าสังขารมาณคันธมารมัจจุมาร และเทวปุตตมานบางทีก็ใช้คำว่ายักษ์หรือเทวดายักษ์มิจฉาทิฐิก็มีมานี้เขาไม่อยากสูญเสียบริวารของตนพยายามเอากามคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายเข้าล่อเพื่อให้หลงอยู่กับบริวารของมานแต่เมื่อใดอริยาสาวกปฏิบัติได้ถึงพ้นบ่วงของมานมานจึงเศร้าโศกเสียใจ ถึงกับพินตกจากรักแร้ด้วยตกใจเพราะนึกไม่ถึงหมายเหตุผู้อ่านสําหรับเรื่องที่ภิกษุเชิดคอตายแล้วได้บรรลุเป็นพระอระหันต์นั้นมีนัยยะที่ต้องทําความเข้าใจาอีกมากมายนะครับว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเป็นหนึ่งในร้อยล้านพันล้านเท่านั้นที่จะสามารถทําได้เช่นนี้แต่ถ้าใครอยากทําตาม คิดว่าจะฆ่าตัวตายแล้วจะบรรลุจะหมดสิ้นไปก็ควรจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันให้ได้อย่างพระท่านก่อนด้วยนะครับคือการมีศีลบริสุทธิ์การมีสติจเจริญสติในทุกก้าวย่างรู้เห็นได้ยินแล้วเฉยไม่ชอบไม่ชังและปฏิบัติตามมัชมีองค์8ปดทำให้ได้เช่นนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยคิดว่าการฆ่าตัวตายจะทําให้มีความสุขจะทําให้สิ้นสุดไป เอาแค่ว่าจิตยังรู้สึกทุกข์และต้องการพ้นไปจากทุกข์ที่กำลังเผชิญแค่นี้ก็ไม่สามารถนิพพานไม่สามารถแม้จะไปสุคติได้แล้วนะครับฆ่าตัวตายแล้วก็กลายเป็นผีที่ฆ่าตัวตายซ้ําๆในบริเวณเดิมต้องรอเวลาให้เกิดสติซึ่งอีกนานแสนนานต้องทนทรมานกว่าตอนมีชีวิตอยู่อีกหลายเท่าสําหรับเรื่องโลกหลังความตายอยากแนะนําให้ลองฟังในเรื่องแววเสียงสวรรค์ที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณท่านเรียบเรียงไว้นะครับ เป็นการอธิบายเรื่องโลกหลังความตายได้น่าสนใจสนุกและมีสาระมากๆเป็นเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตของผู้อ่านมาแล้วนะครับจึงขอฝากและแนะนำให้ลองไปฟังให้จบทั้งสี่เล่ม